ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรุิตะอมรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปจะเป็นสุทิกะปาจิตตีถึงวัตที่สามเรียกว่าโอว า, าวะ เรื่องของนางภิกษุณีทั้งนั้นเลยซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้รักษาแล้วละเพราะนั้นสิกขาบทก็เลยแสดงไว้สั้นๆในที่นี้พวกสิกขาเนี่ยประดับด้วยสิกขาบทสิบโอวาดะสิกขาบทเป็นที่แรกความว่าภิกษุใดอันสง์ไม่ได้สมมติให้เป็นผู้สอนและกล่าวสอนนางภิกษณุณีด้วยครุธรรมแปดประการเป็นปัจจิตีทิ่ถูกพร้อมด้วยองค์แปดดังนี้ คือเป็นผู้สำรวมด้วยปาธิโมกขสังวรหนึ่งต้องมีศียงดีก็ได้สองเป็นผู้หูสูดจะยินได้ฟังมากๆก็ได้สามปาธิโมกทั้งสองมาด้วยดีคือตรงจําปาธิโมกความพิจุพิจุนีได้ข้อที่สี่ก็คือมีเสียงเพราะส ล, ะสลับสรุยนางพิจุณีจะได้ตั้งใจฟังข้อที่ห้าเป็นที่รักของนางพิจุณีโดยมากข้อที่หกมีกําลังพอจะสั่งสอนหรือว่าสอนนางพิกษุณีได้ ข้อที่เจ็ดไม่เคยร่วงครุธรรมกับนางผู้เฉพาะแค่ผู้มีพระพากเจ้าผู้นุ่งผ้ากาสายะตั้งแต่ครั้งเป็นกษัตริย์กไม่เคยร่วงเกินต่อกันแล้วก็ข้อที่แปดมีปัญษายี่สิบหรือว่าเกินยี่สิบขึ้นไปพร้อมที่องค์แปดนี้ควรสมมุติเป็นผู้สอนนางพิสุนีได้ต้องยี่สิบปัญษาขึ้นไปด้วยยี่สิบปัญาหรือเกินขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติแปอย่างนี้จึงจะสมควรสมมติได้ ส่วนครุธรรมแปดประการก็คือทิฏนี้แม้มีภาษาตั้งร้อยพึงทําอภิวาสเป็นต้นคือทําสามอิชกงแก่ทิฏฐุผู้อุปสมบทแม้ในวันนั้นนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ทิฏนี้ต้องประพฤติตุกรูปเลยไม่ว่าใครแม้กระทั่งพระนางมหาประชาปฏิคดรรมีเนี่ยก็ต้องกราบไหว้ต่อทิฏฐุเป็นพระหรหันแล้วก็ต้องกราบว่า้ทิฏฐุพุทธชนผู้บวชในวันนั้นข้อที่สองอย่าพึงอยู่ อย่าจำภาษาในอาวาสที่ไม่มีพิจุต้องมีพิจุอยู่ด้วยวันที่สามพึงหวังการถามอุโบสถและการเข้าไปเพื่อโอวาทแต่พิจุสง์ทุกครึ่งเดือนครึ่งเดือนต้องไปถามอุโบสถแล้วก็ขออวาจทจากพิกจุสง์อยู่จำภาษาแล้วพึงปรณนาในสงสองฝ่ายต้องปรนนาทั้งในหมู่ของพิจุสง์แล้วก็ในทิศณีสงก็ต่อไปก็คือเมื่อต้องครุฑทำเพือบรรจการทิเศตแล้ว พึงประพฤติปักขา ม, มานัทในตองสองฝ่ายจะปิดอบัตหรือไม่ปิดอบัตก็แล้วแต่ให้ไปอยู่มานัทครึ่งเดือนปักหนึ่งนะเรียกว่าปักขา ม, มานัทในตองสองฝ่ายด้วยแล้วก็ข้อต่อไปเพึงแสวงหาอุปสมบทแกนสิทธมานาผู้ศึกษาในธรรมหกสิ้นสองปีแล้วในสงสองฝ่ายก็คือจะต้องมีอุปชาจะต้องมีอุปชา นางศิคมนาเนี่ยจะต้องประพฤติศีลหกข้อไม่ให้ขาดเลยสองปีจึงสามารถที่จะบวชได้ถ้าไม่รักษาศีลหกให้ครบสองปีโดยที่ไม่ล่วงเกินไม่ขาดเลยเนี่ยขาดวันใดวันหนึ่งก็ต้องอยู่ใหม่อันนี้ถึงสามารถที่จะบวชได้แล้วก็ต้องมีอุปชาต้องบวชในงสงฆ์สองฝ่ายด้วยรักษาศีลหกครบสองปีบวชในสงฆ์สองฝ่ายไดย้แล้วก็ ข้อที่เจ็ดก็อย่าพึงด่าบริภาษทิสุโดยปริยายอันใดอันหนึ่งจะด่าบริภาษทิสุไม่ได้ข้อที่แปดติดคลองคําของนาทิษณีไม่ให้สอนทิกษุเปิดให้ทิกษุสอนทิษุณีแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือห้ามสอนภิกษุแต่ว่าให้โตทิษุสอนได้แปดข้อนี้เนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนาทิสณีพึงเคารพนับถืออย่าพึงล่วงจนตราเท่าชีวิตเลยอันนี้ พระบรมเจ้าให้นางประชาบดีครตรมีบวช ด, ด้วยการให้รับครุฑธรรมแปดประการนี้นะเรียกว่าครุฑธรรมปฏิฆานะอุปสัมบทาเป็นการบวชโ ด, ดยการรับครุฑธรรมแปดกระการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภิกษุที่ยังไม่ได้รับส ม, มุติไปสั่งสอนภิกษุณีเข้าก็ต้องอบัตปฏจเจติข้อนี้นะมีสมุติฐานเหมือนกับปร ะ, ะโสธรรมะเหมือนกับการสอนอนุสัมบัญให้ว่าพร้อมกัน โดยทางวาจาและก็วาจาจิตเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกขาจิติกาเป็นปันนติวัชระวชีกรรมอย่างเดียวแล้วก็มีจิตตามเว ท, ทีสามเพราะนั้นจะเป็นกุศลอกุศลนภิภภภกขุตาพระธรรมก็ต้องอวบัดคอนี้ได้เหมือนกันในอัฏฐังคตะสิกขาบทที่สองความว่าเทกตุแม้สงสมมติให้เป็นผู้สอนแล้วเมื่อพระอาทิตย์อัศรวมคตแล้วและสอนนาทิตณีด้วยครุธรรม หรือด้วยธทำอื่นก็เป็นปารจิตติเหมือนกันสมุทฐานก็เหมือนกับปะดะโสธรรมสิกขาบทส่วนข้อที่สามอุปัชยะสิกขาบทที่สามนี้ความว่าที่สุขเข้าไปยังที่อยู่ของนางพิกสุณีแล้วก็กล่าวสอนนางพิสุณีด้วยครุธรรมเป็นปารจิตติเว้นไว้แต่สมัยคือนางพิกษุณีเป็นไข้มาขอครุธรรมมาฟังธรรมไม่ได้อันนี้ก็ยกเว้น สมุธฐานก็เหมือนกับปฐมกฐินติขาบทก็คือมีสมุธฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่าไปตอนโหสัญญาอโมกเป็นอจิตตะปันนาติวัชะกายกรรมและวจิกรรมจิตสามเวทนาสามเพราะว่ามีการไปสู่สำนักของอนาพิสณีก็เลยเป็นกายกรรมกล่าวสอนก็เป็นวิจีกรรมข้อที่สี่อริสติติขาบท ความว่าพิสุไดกล่าวติเตียนว่าพิสุทั้งหลายกล่าวสอนนางพิสุนีเพราะอามิตรมีปัจจัยสี่เป็นต้นดังนี้เป็นปาจิตติใครกคยกล่าวว่าพิสุอย่างนี้ก็เป็นปาจิตติก็สมุทฐานเหมือนอตินาทานสมุทฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจิตตะโลภะวัชามนกายกรรมอาชีกรรมแล้วก็อกุศลจิต แต่าสิกบทนี้เป็นทุกขเวทนาเท่านั้นถ้าจินนาทานนี่เป็นเวทนาสามในจีวรธานสิกาบทที่ห้าความว่าภิกตุใดให้จีวรแม้ควรวิกัพเป็นอย่างตำ่ำแกนางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเป็นปาจิตตีเป็นแวแต่แลกเปลี่ยนกันด้วยของเล็กน้อยก็ไม่เป็นอาบัติจีวรนที่ควรวิกัพอย่างต่ำก็คือยาวแปดนิ้วคูณสี่นิ้วของพระสุคติยาว ศอกหนึ่งคูณคืบหนึ่งของช่างไม้อะนะยาวศอกกว้างคืบของช่างไม้แต่จะเป็นของพระทุกข์ก็แต่นิ้วคูณสี่นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าไปให้จีวรแก่น้ำพิษณีผู้ไม่ชีญาตินี่ก็ถ้าไม่มีของแรกเปลี่ยนอาบัติปฏิติข้อนี้ตอนนี้ก็ไม่มีอบัติแล้วว่าไม่มีนามพิษณีนะก็สมมติฐานก็เหมือนกับปฏิฆาณนะชีวรปฏิฆาณนะรับจีวรจขมือนามพิษณี น, น, นั่นเองสมุติฐานหกเป็นทั้งกิริยาและก็อคิริยา ก็คือทําการให้แล้วก็ไม่ทําการแลกเปลี่ยนถ้าแลกเปลี่ยนกับสาธรธรรมิกนี้ไม่เป็นอันตรกแลกเปลี่ยนเส้นหักนี่ถ้าไม่ใช้กับญวาจานี้ก็เป็นอันตร์โนสัญญาวิโมกขจิตตกะปันติวัชะกายกรรมวจีกรรมจิตสามเวทนาสามในจีว ร, รสิพนะสิกขาบทที่หกเย็บจีวอนเพื่อพิกตุนีผู้ไม่ใช่ญาตินี่นะพลิกตุไดเย็บผ้าแห่งนางพิกณีผู้ไม่ใช่ญาติเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นเย็บให้ปดีเป็นปาจิตตี ขถฐานหกเหมือนกันยกข้อที่แล้วในสังวิธานสะิกขาบทที่เจ็ดความว่าพิสุไดชักชวนนัดหมายเวลาและทางเดินกับนางพิสุนีแล้วเดินทางอันเดียวกันโดยที่สุดในสิ้นระหว่างบ้านอันหนึ่งกับชั่วไก่ยินตกถือว่าที่เที่ยวไปของไก่เป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่มีสมัยคือทางจะต้องไปด้วยพวกหมู่เควียน เป็นทางประกอบด้วยความรังเกียจคือโอกาสของโจรตั้งอยู่เป็นต้นปรากฏอยู่และเป็นทางประกอบด้วยภัยกล้าก็คือโจรฆ่ามนุษย์เห็นปรากฏอยู่มีสมัยดังนี้ก็ไม่เป็นอันผัดสมุทฐานในข้อนี้เรียกว่าสังวิธานะหรืออาธานาสมุทฐานมีสี่ก็คือกายอย่างหนึ่งกายวาจาอย่างหนึ่งกายกจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่ง เป็นจริยาเพราะมีการชักชวนกันไปแล้วก็โนสัญญาวิโมกขจตตกะเป็นปันติวัชชะกายกรรมจีกรรมจิตสามเวทนาสามเนยอีกข้อหนึ่งนาวาพิรุหณะสิกขาบทที่แปดความว่าพิสุใดยชักชวนนัดหมายกับนาภิกตุนีขึ้นเรือลำเดียวกันไปเหนือน้ำหรือว่าไปตามน้ำจะขึ้นน้ำหรือว่าล่องน้าก็ตามเป็นปานจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก แต่ฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นโดยขวางถ้าข้ามฝากไมก่ได้สมุตรธานก็เหมือนกับสังวิธานัสิกขาบทที่แล้วคือสมุตรธานสี่นั่นเองชักชวนกันเดินทางข้อที่เกป ร, ริปารนะสิกขาบทความว่าภิกษุใดรู้อยู่และฉันบินทบาทที่นาภิกษุณีชักชวนทายกให้จัดถวายเป็นปัจจิ ต, ตีเว้นไว้แต่กระถัดผู้ทายกเขาเริ่มจะถวายก่อน หรือเขาเป็นญาติและคนโปราณาแห่งทิสุก็ไม่เป็นอาบัติคนนี้ก็เป็นเหมือนกับปฐมป ร, ราชิกติขบดังคือการจิตอย่างเดียวมุตฐานเดียวการจิตไปฉันบินทบาทมีอาการฉันไม่ต้องเกี่ยวกับการพูดเป็นจริยาสัญญาวิโมสกสจิตกะปัญติวัชะแล้วก็กายกรรมนะมีจิตตามมีัตนาสามเพราะว่าเป็นสจิตกะเขามีคาว่ารู้อยู่ แต่เป็นปณนติวัชชะมีทวเพระบัญญัติข้อที่สิบในระหนิสัชชสิกขาบทความว่าทิสุใดแต่ผู้เดียวไม่มีชายรู้ความอยู่ด้วยและสําเร็จการนั่ง น, นอนในที่รับตากับด้วยนางทิกษุณีผู้เดียวไม่มีนางอื่นอยู่ด้วยเป็นปาจิตตีนั่งในที่รับกับทิกสุนีสมุทฐานก็เช่นเดียวกันกันกบอนิยตัดสิกขาบทที่สองนั่นเองก็คือมีสมุทฐานสาม สมุฐานสามนี้ว่อธินาทานสมุทฐานก า, ก, าา ก, กายวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจิตตกะโลกวัชะแล้วก็เป็นอกุศรจิตมีเวทนาสองสำหรับระหวนิสัชะที่สุดใดแต่ผู้เดียวไม่มีชายรู้ความอยู่ด้วยแล้วก็สําเร็จการนั่งนอนในที่รับตาคับด้วยนางพิษณีผู้เดียวก็ไม่มีนางอื่นอยู่ด้วยก็เป็นปัญจตี ในสิกาบทที่สิบนี้พิกจุณีอุปสมบทในอุปโตสองเป็นปาจิตติยะวัตถุอุปสมบทในเอกโตสองเป็นทุกกะตะวัตถุเป็นทุกขสิกขาบททั้งสิบถ้าพิกษุณีอุปสมบทแก่พิษุสองฝ่ายเดียวก็เป็นอัตถุกฏอันนี้ก็เป็นตัตโยวัคโคจบปัคที่สามต่อไปจะเป็นโพชนวัคที่สี่ ระดับด้วยสิกขาบทสิสิกขาบทสิก ข, ขาบทที่ต้นข้อแรกก็คืออาวสถสิกขาบทความว่าก้อนข้าวในโรงทานคือโภชนะห้าอย่างได้แก่ข้าวสุกอย่างหนึ่งขนมกุมมาสอย่างหนึ่งข้าวสัตตุก็คือข้าวตูอย่างหนึ่งปลาอย่างหนึ่งแล้วก็เนื้ออย่างหนึ่งเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มนุษย์ผู้ปรารถนาบุญตระกูลเดียวกันหรือว่าต่างตระกูลรวมกันเข้าเป็นทุนเดียวตั้งไว้พอกินอิ่มในสาราหรือว่ามณดบหรือว่าโคนไม้หรือที่แจ้งแห่งเดียวกันหรือในที่ต่างๆกันหรือย้ายที่วันนี้ตั้งในที่แห่งหนึง่งพรุ่งนี้ก็ตั้งในที่แห่งหนึ่งดังนี้ไม่เฉพาะผู้รับคือไม่ได้จับจงนะว่าจะให้ใครเป็ควรรับว่าให้คนเหล่านี้ให้แก่คนเพียงนี้ หรือไม่เฉพาะของกินคือไม่ได้กำหนดของกินว่าให้ทั่วไปในโพชนะโพชนะทั้งปวงนี่ยนะก็ให้ไม่ได้กาหนดไว้ดังนี้ที่ตูไม่เป็นไข้คืออาจจะไปได้แม้กึ่งโยกก็คือแปดกิโลเมตรกึ่งรับฉันได้ในที่แห่งเดียวในวันเดียวเท่านั้นแต่วันที่สองไปแล้วถ้ารับของคนเหล่านั้นในที่นั้นหรือในที่อื่นอีกด้วยหวังจะฉันเป็นทุกกฎ เกรื่นกินเป็นปาจิตตีทุกคำเกลื่นเลยไม่เป็นไข้นะแต่ว่าสําคัญว่าเป็นไข่หรือว่าสงสัยก็ตามหรือว่ารู้อยู่ว่าเป็นไข่ก็ตามก็ได้รับแล้วฉันก็เป็นติกับปาจิตตีเป็นไข่สําคัญว่าไม่เป็นไข่หรือสงสัยอยู่เป็นทุกข์เป็นไข่รู้ว่าเป็นไข่ก็ดีและเธอได้ฉันแต่คราวเดียวหรือเมื่อจะไปฉันในกลางทางวันหนึ่งฉันในที่ถึงแล้ววันหนึ่งแม้เมื่อจะกลับก็ฉันในกลางทางวันหนึ่ง มาถึงแล้วก็ฉันในที่มาถึงแล้ววันหนึ่งก็ดีและคิดจะไปฉันแล้วออกไปกลับเสียด้วยอันตรายอันหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเป็นทางเกษมเมื่อจะไปฉันอีกวันหนึ่งก็ดีหรือเจ้าของเขานิมนต์มาถวายหรือฉันของที่เขาเฉพาะก็คือเจาะจงที่ตั้งไว้และฉันของที่เขาตั้งไว้ไม่พอประโยชน์หมายถึงของไม่มากพอก็ฉันได้หรือฉันของอื่นพ้นโภชนะห้า และพี่ตู่เป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติเพราะว่าเขาให้เจะจงคนทั่วไปก็มีมากเถือเฟือเนี่นะพวกเจรกักปริพไชกก็มาฉันกันแต่พี่ตู่ไปฉันทุกวันทุกวันพวกปริพไชกเหล่านั้นก็เลยหนีไปที่อื่นเลยไม่เอาเลยเพฉะนั้นก็ของเล็กน้อยตั้งไว้ไม่พอประโยชน์พวกนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนมากมๆพี่ตู่ไปฉันวันที่สองที่สามมันเป็นระดั สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอะนานติกะใช้ให้คนอื่นไปฉันนี้ไม่เป็นอบัติมีองค์สามก็คือก้อนข้าวในโรงทานอย่างหนึ่งไม่เป็นไข่อย่างหนึ่งแล้วก็เฝ้าฉันอยู่เกินวันที่สองไปเนี่นะพร้อมด้วยองค์สามนี้เป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นซ้าเหมือนกับเอลกคโรมาสิกขาบทก็คือสมุทฐานสองกายอย่างหนึ่งแล้วก็กายฉิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่ามีการไปฉันโนสัญญามิโมกอจิตตกะ ปัญติวชะกายกรรมอย่างเดียวแล้วก็จิตสามเวทนาสามต่อไปจะเป็นคณะโพชนะสึขธา บ, บทสึขาร บ, บทที่สองความว่าเป็นปัจจิตีเพราะฉันคณะโพชนะก็คือฉันเป็นมูภิกษุแต่สี่รูปขึ้นไปชื่อว่าคณะถ้าทายกเขามาหาภิกษุสี่รูปแห่งเดียวกันหรือต่างๆกันนิมนต์ด้วยโพชนะห้าอย่าง สิ่งใดสิ่งหนึ่งคือผู้ที่นิมนต์ถือเอาโภชนะทั้งห้าสิ่งในสิ่งหนึ่งขึ้นนิมนต์คือออกชื่อนิมนต์ด้วยโวหารที่เป็นอคติยะเป็นต้นว่านิมนต์ฉันข้าวสุกฉันเนื้อฉันปลาท่านจงรับข้าวสุกเนื้อปลาของข้าพเจ้าดังนี้เป็นภาษามคตรหรือภาษาอื่นประดีเธอเหล่านั้นถ้าเขานิมนต์แห่งเดียวกันหรือต่างๆกันดังนี้แล้วและเธอไปแห่งเดียวกล่าวเดียวพร้อมกันหรือว่าไปแต่ที่ต่างๆกัน คนละคราวแต่รับแห่งเดียวคราวเดียวกันภายหลังฉันแห่งเดียวกันถือว่าฉันนี้ที่ต่างๆกันก็ตามดังนี้ชื่อว่าเป็นคณะโพชนะเป็นหมู่กันฉันชันเป็นหมู่นั่นเองด้วยว่าถือเอาการรับในที่แห่งเดียวกันเป็นประมาณถ้ารับแห่งเดียวกันนี่จะฉันต่างหรือฉันร่วมกันก็เป็นอันดับดังนั้นถ้าแม้พิจุถือเอาชื่อแห่งข้าวสุกเนื้อปลาขอขาวว่า ทานจงให้เข้าวสูกเนื้อปลาแต่ที่เดียวกันหรือต่างๆกันและไปคราวเดียวกันหรือต่างๆกันแต่รับแต่ที่แห่งเดียวกันและดังนี้ก็คงเป็นขณะโคชนะเหมือนกันเพราะนั้นก็มีอาการสองอย่างคณะโภชนะซึ่งได้แต่ที่นิมนต์หรือวินยัตทั้งสองนั้นคือเขานิมนต์ออกชื่ออาหารหรือว่าไปขอขอมาฉันร่วมกันสี่รูปขึ้นไปต้องอบับดับทั้งนั้น ในขณะรับพร้อมกันดังนั้นเป็นทุกกฎเกลืนกินเป็นปราจิตีทุกคำเกลื่นเลยเว้นไว้แต่มีสมัยเจ็บประการดังนี้ก็คือขีราณัสมัยคราวที่ถูกเจ็บไข้คือแม่เท้าแตกเที่ยวกินดาบาดไม่ได้จีวรธานสมัยคราวให้จีวนรนาวถวายจีวรก็คือตั้งแต่วันมหาปรณาแล้วไปกถินไม่ได้กลางก็ปลายฤดูฝนเดือนหนึ่งถ้าไม่ได้กลางกถินถ้าได้กลางก็ถินแล้วก็เลยจากนั้นไปเป็นห้าเดือน กิวรารกานรสมัยก็คราวที่ภิกษุทําจีวรตัดเย็บอยู่อัฏฐานะขมนะสมัยคราวเดินทางไกลเพียงกึ่งโยชต์8กิโลเมตรเมื่อจะไปก็พึงฉันได้ไปอยู่ตามทางก็พึงฉันได้มาถึงแล้วก็พึงฉันได้อีกนาวาพิรูหะณะสมัยก็คราวที่ไปในเรือเดินทางในเรือเมื่อจะขึ้นเรือก็พึงฉันได้ขึ้นไปแล้วก็พึงฉันได้ลงจากเรือก็พึงฉันได้ถ้าเกิดเขาเลี้ยง ดูือว่าขอในเรือเลยได้เหมือนกันมหาสมัยคือคราวใหญ่คราวที่พิสูจ ป, ประชุมกันใหญ่คือในที่ใดในการใดพิถูกแต่สองรูปสามรูปพอเที่ยวบินบาดเลี้ยงชีพได้ครั้นมาอีกหนึ่งรูปเป็นสี่รูปไม่พอเลี้ยงชีพกันอันนี้ก็ขอได้นะแล้วก็สมณพัตฒนสมัยคราวพัฒแห่งสมณะขอได้นี่หมายถึงว่าฉันคณะโพชนะได้ พระวักแห่งสมณะคือนักบวชจําพวกใดจะพวกหนึ่งทำพักนิมนติตุ ด, ด้วยก้าวสุขสมัยทั้งเจ็ดเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีฉันคณะโพชนะได้คือถ้ามีสมัยทั้งเจ็ดนี้ก็ฉันคณะโพชนะนี้ได้ไม่เป็นอาบัตด้วยอาการสองอย่า ง, งนะั่นแหละคือนิมนเอาเชื่ออาหารหรือว่าไปขอเข้ามาฉันรวมสี่รู้ขึนไปถ้ามีสมัยในคณะโพชนะนี้เป็นติกปะปัญตี ถ้าไม่ใช่คณะโภชนะแต่สําคัญว่าเป็นคณะโภชนะหรือว่าสงสัยอยู่ก็เป็นทุกกฎไม่ใช่คณะโภชนะสําคัญว่าเป็นคณะโภชนะหรือแก่สองสามรูปรับแห่งเดียวกันฉันหรือมากเที่ยวบินตาบอดแล้วมาฉันร่วมกันแห่งเดียวกันไปบินตบาด ท, ที่สู่มาก ร, รูปแต่ไปบินตบาดแล้วก็มารวมกับฉันแห่งเดียวกันก็ไม่เป็นอันบาิ อันหนึ่งในนิจภัทน์และสระกัทเป็นต้นและในของฉันอื่นเว้นจากโภชนะห้าและที่จุบ่าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัติคือไม่เป็นอนาบัตินั่นเองสิขาบทข้อนี้เป็นอนานาติกะใช้กคนอื่นเป็ฉันนี้ก็ไม่เป็นอนาบัตสำหรับคนใช้นะคนฉันก็เป็นมีองค์สามก็คือคณะโภชนะอย่างหนึ่งไม่มีสมัยอย่างหนึ่งแล้วก็คืนกินอย่างหนึ่งองค์สามนี้พร้อมเมื่อไหร่ก็เป็นอนาบัตตาจิตตี สมุธฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอละกครโรมสติขาบทดังกล่าวแล้วในปฐมศาสยยาสิขาบทนั้นสมุธฐานสองกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งก็เป็นอจิตตะกาะโนโนสัญญมิโมกขิรยาเป็นกายกรรมจิตสามเวทนาสามต่อไปปรางประโรชนะสิขาบทที่สามในโชนะวัคนี้ เิจิตุอันทายกนิมนต์ด้วยโภชนะห้าโดยในดังกล่าวแล้วในคณะโภชนะไม่วิกัดเสียไม่วิกัดกาหมายถึงไม่ได้ทําให้เป็นของเจ้าของไม่ได้สละคนอื่นและฉันโภชนะที่ทายกนิมนต์ทีหลังก่อนกว่าโภชนะแห่งทายกที่นิมนต์ไว้ก่อนชื่อว่าปรมประโภชนะฉันโภชนะที่หลังก่อนในขณะรับเป็นทุกกฎคลื่นกินก็เป็นปาจสิตรูทุกๆคําคลืน่นเว้นไว้แต่ มีสมัยสามอย่างก็คือกีฬานสมัยกล่าวเข็บไข่ชีวริทานาสมัยกล่าวที่เข้าถวายจีวรจีวรการะสมัยล่าวที่ทําจีวรดังกล่าวแล้วในคณะโภชนะสมัยเหล่านี้อันใดอันหนึ่งมีถ้ามีนะไม่เป็นอบับคือฉันปรมํมปราโภชนะได้ในปรมัมปราโภชนะเป็นติกะปาจิตตีไม่ใช่ปรมํมปราโภชนะหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่ปรมัมปราโภชนะ ฉันก็ไม่เป็นอบัตบวิกัปโภชนะที่ทายกนิมนก่อนแก่สาธมิตรทั้งห้าก็คือให้แก่สาธมิตรทั้งห้าไปผู้ใดผู้หนึ่งก่อนในที่ต่อหน้าดังนี้ว่าไม่หังพัตตะปัจจาสังตุยหังดำมิหรือว่าไม่หังพัตตะปัจจาสังตุยหังวิกัปเพริดังนี้หรือว่าวิกัปในที่รับหลังดังนี้ว่าไม่หังพัตตะปัจจาสังอิถันนามัสะดำมิ หรือว่าไม่หังพัตตปัจจาสังอิถันนามัสสะวิกับเตมิดังนี้ยังใดอย่างหนึ่งแล้วก็ฉันโภชนะที่ได้ในตะกูลที่นิมนต์ที่หลังก่อนได้ไม่เป็นอบัตก็คือเขานิมนต์มีพัดอยู่แล้วเนี่ยก็สลัดให้แกสาธมิตห้าท้าเจ้าขอสลัดหรือว่าขอให้พัดที่มีหวังว่าจะได้นั้นแกท่านหรือว่าแกผู้ที่มีชื่อนั้นชื่อนี้ แต่นับดังก็ได้นะวิกัปนับดังนี้ก็ทําให้ไปฉันโภชนะที่หลังก่อนได้ฉันโภชนะซึ่งได้ก่อนและหลังปนกันอยู่เอาที่ได้ก่อนกับที่ได้ที่หลังมาปนกันก็ได้นะหรือตามโภชนะซึ่งเขานิมนต์สองแห่งสามแห่งเข้าแห่งเดียวกันฉันหรือฉันโดยลําดับนิมนต์และบ้านทั้งสิ้นหรือหมู่มนุษย์ทั้งสิ้นเขานิมนต์ชันในบ้านนั้นในหมู่มนุษย์เหล่านั้นแห่งใดแห่งหนึ่งก่อน หรือทายกเขานิมนทิกสุกล่าวว่าเราจะรับทิศาดังนี้ก็ไม่เป็นอบัตก็จะนิมนต์ขี่เก้าก็แล้วแต่นะบอกว่าจะรับทิศาอันนี้ไปรับมาแล้วจะฉันใครก่อนก็ได้ในนิจพัตน์และสรารกพัฒเป็นต้นหรือในของฉันอื่นยกโภชนะห้าเสียหรือทิกสุบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตทีิกะบทเจนนี้ก็เป็นอะนานติกะก็หมายถึงใช้ให้คนอื่นไปฉันปรามประโภชนะนี้ก็ตัวเองก็ไม่ต้องอภัติ คนชันก็เป็นก็มีองคศาคือโภชนะของผู้อื่นข้อที่สองก็ไม่มีสมัยข้อที่สามก็กลืนกินโภชนะของผู้อื่นนี้มายถึงป ร, รังปรนโภชนะเราแปลว่าเป็นป ร, รํงปรนโภชนะอมาถึงโภชนาที่หลังนั่นเองไม่มีสมัยแล้วก็กลื่นกินพร้อมด้วยองคศานี้จึงเป็นป่าจิตตีสมมติทางวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกฐิ น, นะสิกขาบท แปลงแต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะต้องเพราะทําแล้วก็ไม่ทําด้วยปรถมกสิทธิสิกขาบทก็มีสมุ่งฐานสองก็คือกายวาจากับกายวาจ า, กก า, าจาิตกิริยาก็ได้แก่อะไรได้แก่ฉันชนะโพชนะอคิริยาก็คือไม่วิกับให้แก่กาธมิศขบวนนี้ก็เป็นอคจิตตกาโนสัญญาวิโมกแล้วก็เป็นทั้งกายกรรมวิจิกรรมเพราะว่าเป็นกายวาจากับกายวาจ า, กก า, าจาิตมีจิตสามเวทนาสาม ต่อไปสิขบทที่สชื่อว่ากาณมาตาสิกขาบทความว่าตระกูลเขานําขนมซึ่งเขาตกแต่งไว้เพื่อจะส่งลูกสาวไปสู่ตระกูลสามีหรือเขานําข้าวสัตว์ที่เขาตกแต่งไว้เพื่อจะเป็นสบียงเดินทางมาปรนนธาตามประสงค์แต่ทิสุผู้เข้าไปบินธบัตทิสุพึงรับแต่เพียงเต็มสองบาทหรือว่าสามบาทเสมอแต่เพียงเหลี่ยมปากข้างล่าง ถ้าเธอรับบาทที่สามให้พูนเป็นจอมขึ้นไปเป็นปาจิตตีนับด้วยขนมและข้าวส ต, ตุซึ่งตั้งอยู่บนเหลี่ยมปากเหลี่ยมปากบาทข้างล่างคือขอบล่างนั่นเองแณภิจูดใดรับแล้วสองบาทเธอองค์นั้นออกมาเห็นภิจุดข้างนอกพึงบอกว่าในที่นั้นเรารับสองบาทแล้วท่านพึงรับแต่บาทหนึ่งณพิจูดนั้นเห็นพิจูดอื่นอีกก็พึงบอกว่า เธอผู้มาก่อนรับเต็มสองบาทแล้วเรารับบาทหนึ่งแล้วท่านอย่ารับเลยพิจูดใดรับก่อนบาทหนึ่งแล้วแม้พิจุดนั้นก็พึงบอกต่อตกันอย่างนั้นและพิจูดใดรับเองสามบาทเธอเห็นพิจุดอื่นแล้วพึงห้ามเสียเมื่อไม่ห้ามเป็นทุกกฎแม้เธอผู้ได้ยินห้ามแล้วขืนรับก็เป็นอบัตทุกกฎเหมือนกันแล้วเธอนั้นพึงไปยังโรงฉันหรือวิหาร หรือที่เคยกลับมาประทับแห่งใดแห่งหนึง่งคือเคยนั่งที่ใดก็ไปในที่นั้นซึ่งใกล้แต่ที่ได้ของมานั้นแล้วตั้งไว้เพื่อตนบาตรหนึ่งที่เหลืออยู่ก็ถวายแก่พิตรสงก็แลจะให้ตามมิตรสหายนั้นไม่ได้คือจะไปเลือกให้ตามชอบใจไม่ได้ต้องให้แก่สงเธอใดรับมาบาตรหนึ่งเธอนั้นสักสิ่งหนึ่งไม่ปรารถนาะก็อย่าให้เลยพึงทำตามชอบใจเธอ ก็ก็ได้กลับมาบาทเดียวก็ไม่เป็นไรก็ฉันเองไม่อยากแบ่งใครก็ไม่ต้องแบ่งอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่4ีุู่กฐานก็เดี๋ยวไว้ต่อบพรุ่งนี้ก็แล้กันวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมนาแด่ท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระวิไนแล้วก็คอยประพฤติตามพระวินยัยอันเป็นปาฏิโมกขังวรเพื่อเพื่ อ, อกูลแ ก, ก่การอบรมสัจถินรี่อันเป็นไปในศีลจะได้อบรมอินรี่ห้าวิริยะสมาธิสติอันเป็นสมาธิสิกขาเป็นจิตตสิกขา แล้วก็จะได้เกืดอกูลแก่ปัญญาสุคขาเมื่อตรศึกษาประชุมพร้อมเปลี่ยนการก็มีโอกาสในการบรรลุพระอริยบุคคลขอให้ได้ตัดรู้อริยสัจธรรมโดยการเน้นนช้าดิเทินสาธุสาธุสาธุ